เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษอุราสกอาสิกาผู้ฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556เป็นวันพระวันธรรมสวรนระวันฟังธรรมวัน วันฟังในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนหรือฟังในสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำสอนที่ประเสริฐแต่เป็นคำสอนที่หาฟังได้ยากเนื่องจากคนทางโลกสวยย่วนใหญ่ จะไม่ชอบฟังธรรมกันสถานีวิทยุต่างๆสถานีโทรทัศน์ต่างๆจึงไม่ค่อยมีรายการธรรมะไม่มีการฟังธรรมกันจึงจจาเป็นที่จะต้องมาวัดในวันธรรมัตรสวระเพื่อที่จะได้มาฟังธรรมรมที่พวกเราไม่ค่อยได้ฟังหรือไม่ชอบฟังกัน ก็คือทุกความทุกต้นเหตุของความทุกข์วิธีการดับทุกข์มีเป็นเรื่องที่พวกเราไม่ค่อยได้ฟังกันเพราะส่วนใหญ่ไม่ชอบฟังกันทั้งๆ ท, ที่มีทุกข์อยู่ในหัวใจกันทุกคนแทนที่จะสนใจศึกษา ว่าความทุกข์นี้มาอย่างไรไปอย่างไรกับไม่สนใจกันกับไปหนีความทุกข์กันด้วยการวิ่งไปหาความสุขต่างๆในโลกนี้เช่นวิ่งไปหาเงินทองวิ่งไปหาตำแหน่งวิ่งไปหาการสรรเสริญกยอะเยิยอย อ, ยอวิ่งไปหา รูกเสียงกินรสผลพะพรชนิดต่างๆเช่นการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆการไปดื่มการไปรับประทานอาหารเครื่องดื่มที่ถูกปากถูกใจแต่การวิ่งหนีความทุกข์นี้ไม่สามารถจะหนีความทุกข์ได้เพราะความทุกข์นี้เป็นเหมือนเงาต่างตัวต้องเผชิญกับความทุกข์ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ศึกษาความทุกข์ทุกต้องศึกษาให้รู้ว่าทุกข์มันเป็นอย่างไรมาอย่างไรมันเกิดขึ้นตอนไหนพระพุทธเจ้าทร ง, สงตรัสว่าความทุกข์เกิดขึ้นตอนที่เกิด <c oughs> ความทุกข์เกิดขึ้นตอนที่แก่ความทุกข์เกิดขึ้นตอนที่เจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์เกิดขึ้นตอนที่ตาย ความทุกข์เกิดขึ้นจากการทักท่าจากสิ่งที่รักไปความทุกข์เกิดขึ้นจากการเผชิญกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาอนนี้คือความทุกข์ดังนั้นขอให้เราถามตัวเราเองว่าเราหนีสิ่งเหล่านี้ไปได้หรือเปล่าเราหนีความแก่ไปได้หรือเปล่าเราเกิดมาแล้ว เ, ววเราหนีความแก่ไปได้หรือเปล่า เราหนีความเจ็บไายได้ป่วยไปได้หรือเปล่าเราหนีความตายไปได้หรือเปล่าเราหนีความพัดผ้าจากกันไปได้หรือเปล่าเราหนีจากการพบกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาได้หรือเปล่าถ้าเราพิจารณาแล้วเราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราหนีไม่ได้มันเป็นเรื่องธรรมดา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 เราต้องพัดพากจากของละของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไปเป็นธรรมดาล่วพงพ้นไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่พูะเจ้าทรงสอนให้พวกเราพยายามคิดอยู่เรื่อยๆแล้วให้เราศึกษาว่าความทุกข์ของเรานี้เกิดจากอะไรเกิดจากความแก่ความเจ็บความตาย หรือว่าเกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความแก่ความเจ็บความตายนี้เป็นสิ่งที่เราเด็กเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้ถ้าเราเข้าใจถึงเหตุที่ทําให้เราทุกข์ว่าไม่ใช่เป็นความแก่ความเจ็บความตายแต่ความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายต่างหาก ที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือสัจธรรมข้อที่สองความจริงข้อที่สองที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้หลังจากได้พบสัจธรรมความจริงข้อที่หนึ่งว่าความทุกข์นั้นอยู่ที่การเกิดการแก่การเจ็บการตายแต่ต้นเหตุของความทุกข์นี้ไม่ได้อยู่ที่การเกิดการแก่การเจ็บการตาย แต่อยู่ที่ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้ามีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแล้วทุกครั้งที่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายใจจะทุกข์ขึ้นมาทันทีและเวลาที่เห็นความแก่ความเจ็บความตายก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีทั้งทั้งที่ไม่ได้เป็นความแก่ความเจ็บความตายของเราเสือได้ซ้ำไป เป็นความแก่ความเจ็บความตายของผู้อื่นเราก็ยังทุกข์เราก็ยังเศร้าสศกเสียใจก็เพราะว่าเรามีความอยากไม่ให้เขาแก่ไม่อยากให้เขาเจ็บไม่อยากให้เขาตายนั่นเองนี่คือปัญหาของพวกเราปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความแก่ความเจ็บความตายปัญหาอยู่ที่ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย และวิธีที่จะแก้ปัญหานี้ก็คือต้องหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บคือยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้หนีไม่พ้นเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายแต่เราสามารถหนีพ้นจากความทุกข์ได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้ จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายและการที่เราจะทำใจของเราให้หยุดความอยากได้เราก็ต้องมีสัจ ธ, ธรรมความจริงข้อที่สก็คือมัคส์แปลว่าทางที่จะนำไปสู่การหยุดความอยากทางที่จะพาไปสู่การดับของความทุกข์ นี่คือทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราเดินกันอย่างวันนี้พวกเราก็มาวัดกันตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ทําบุญให้ละบาปให้ชำระความอยากให้หมดไปจากใจนี่คือทางที่พระเจ้าทรงสอนหรือเป้าหมายของพวกเราถ้าเราอยากที่จะไม่มีความทุกข์ภายในใจ ที่เราถ้าเราอยากจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายกับการพัดกล้าจากสิ่งที่เราลักไปเราต้องทําตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนคือต้องเจริญมรรคให้มากมรรคนี้เปรียบเทียบเป็นเหมือนยารักษาโรคใจความทุกข์นี้เป็นเหมือนกับโรคใจ เชื้อโรคของโรคใจก็คือความอยากต่างๆถ้าเรากินยาคือธรรมะโอสถคือมรรคเข้าไปในใจใจของเราก็จะหยุดความอยากได้เมื่อหยุดความอยากได้ความทุกข์ใจก็จะหายไปนี่คือวิธีแก้ความไม่สบายใจต้องแก้ที่ใจต้องแก้ด้วยมรรคด้วยธรรมะโอสถ อย่าไปแก้ด้วยการไปหาเงินมาเพิ่มอย่าไปแก้ด้วยการไปซื้อข้าวซื้อของมาเพิ่มอย่าไปแก้ด้วยการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอย่าไปแก้ด้วยการดื่มด้วยการรับประทานเพราะมันไม่ได้แก้ความทุกข์ภายในใจแก้มาเท่าไหร่เราเคยแก้กันมานานแล้วเที่ยวก็เที่ยวกันมามากแล้วกินก็กินกันมามากแล้วดื่มก็ดื่มกันมามาก ซื้อข้าวซื้อของก็ซื้อกันมามากแล้วความทุกข์ในใจมันหายไปหรื อ, อยังความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันหายไปจากใจของเราหรื อ, อยังมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่มาแก้ที่ใจเราไม่มาหยุดความอยากที่มีอยู่ในใจด้วยการเอาธรรมะโอสถเอายาที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้พวกเรามาแก้ความทุกข์ใจนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะหายจากความทุกข์ใจเราต้องกินยาที่พวะเจ้าทรงสอนให้กินก็คือทำบุญละบาปชำระความอยากให้หมดไปจากใจนี้เองพระพุทธเจ้าได้ทรงชำระมาแล้วทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์มาแล้ว ทำบุญมาแล้วละการทำบาปมาแล้วพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอีกเลยพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายที่ได้ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็เป็นเหมือนพระพุทธเจ้าไม่ได้ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ทุกข์กับการพัดพราดจากสิ่งที่รักไปเลยเพราะใจไม่ได้มีความอยาก หลงเหลืออยู่ภายในใจนั่นเองอันนี้แหละคือความจริงที่จะทำให้สัตว์โลกทั้งหลายอย่างพวกเรานี้ได้อยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไปกับสิ่งต่างๆที่มีมาแล้วมีไปที่มีเกิดแล้วมีแก่มีเจ็บแล้วมีตายเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นสิ่งที่เราไปหักห้ามไม่ได้ไปยุติไม่ได้แต่สิ่งที่เรายุติได้ก็คือความทุกข์ภายในใจสิ่งที่เรายุติได้ก็คือความอยากภายในใจด้วยการทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสาข้อนี้คือทาบุญละบาปแล้วก็ชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กาจัดความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจนี่คืองานที่พวกเรากําลังมาทํากันในวันนี้ขอให้เราเข้าใจว่าการมาวัด น, นี้ก็เพื่อมากินยาที่พุทธเจ้ามอบให้พวกเราเพื่อเราจะได้ดับความทุกข์ภายในใจให้หมดไปไม่ได้มาวัดเพื่อมาสร้างความโลภให้เกิดขึ้นอีกเช่นมาแล้วก็อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็อธิษฐาน ขอจากพระว่าขอให้ร่ำให้รวยขอให้สุขให้เจริญขอให้ได้ลูกดีมีอาการสมบูรณ์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่พิกลพิการอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้แสดงว่าเราไม่ไดมากินยาของพระพุทธเจ้าถ้ากินยาของพระพุทธเจ้านี้ต้องการกินเพื่อตัดความอยากทั้งหมด ไม่ให้มีอยู่ภายในใจเพราะความอยากนี้จะทําให้เราไม่สบายใจกังวลกวากร ะ, ะสับกระส่ายวิตกกังวลว่าวุ่นขุน ม, มัวก็เพราะความอยากของใจเรานี้อดังนั้นเราต้องมาทาบุญเพื่อดับความอยากไม่ใช่มาทาบุญเพื่อสร้างความอยากขอให้ได้สิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้ค อ, อยังไงก็ไม่ได้อยู่ดี ของที่มันจะไม่ได้ข อ, อยังไงก็ไม่ได้ของที่มันจะได้ไม่ต้องของมันก็ได้มันไม่ได้อยู่ที่การขอหรือไม่ขอมันอยู่ที่เหตุปัจจัยว่ามีหรือไม่มีเช่นฝนจะตกไม่ตกนี้มันไม่ได้อยู่ที่เราไปขอถ้ามันไม่มีเมฆุนท้องฟ้าขอไปจนวันตายมันก็ไม่ตกแต่ถ้ามันมีเมฆท้องฟ้ามืดคลุ้มไปหมดไม่ต้องไปขอมันก็ตก พรามันมีเมฆเมฆนี้เป็นเหตุที่ทําให้ฝนตกฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่เคยสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนขอสิ่งนั้นขอสิ่งนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทําให้ทําความดีเช่นให้คิดดีพูดดีทดําดีแล้วสิ่งที่เราอยากจะได้ก็จะมาก็คือความสุขความเจริญจะตามมา เพราะเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความสุขความเจริญก็คือการคิดดีพูดดีทำดีนั่นเองเช่นเดียวกับการที่เราไม่อยากจะให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราเราก็ต้องไม่ทำเหตุที่ทำให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเหตุที่ทำให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็คือการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเช่นทำบาปทำกรรม อย่างนี้ต่างหากที่เป็นเหตุที่จะทำให้เราพบกับสิ่งที่เราไม่อยากจะพบกันดังนั้นอย่าไปขอไม่ว่าจะขอจากใครก็ตามถ้ามันจะได้ถึงเวลามันมาเองถ้ามันไม่ได้ขอไปจนมันตายมันก็ไม่ได้ขอให้เราทำกันถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์อยากจะมีแต่ความสุขกายสบายใจไปตลอด ไม่มีวันสิ้นสุดก็ขอให้เราทำบุญละบาปและชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์การทำบุญก็อย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาทำกันในวันนี้ความหมายของการทำบุญก็คือการทำประโยชน์ทำความสุขให้แก่ผู้อื่นโดยที่เราไม่ต้องการผลตอบแทนสิงตอบแทนจากการกระทำของเรา เช่นไม่ต้องการให้เขาขอบใจไม่ต้องการให้เขาทดแทนบุญคุณเราทำไปด้วยความเสียสละเราทำไปเพื่อให้เขามีความสุขทำไปเพื่อให้เขาสบายหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากต่างๆทำไปแล้วถ้าเราไม่ต้องการอะไรใจของเราจะมีความสุขมากจะมีความอิ่มเอิบใจมีความพอใจ มีความภูมิใจที่เราได้ทำสิ่งที่ดีให้กับคนอื่นและให้กับตัวเราเองเราจะเป็นคนที่มีจิตใจที่สูงขึ้นมีความเจริญทางด้านจิตใจมีความสุขทางจิตใจเพิ่มมากขึ้นมีความทุกข์ภายในจอยน้อยลงไปนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการทาบุญโดยที่เราไม่ต้องการ อะไรตอบแทนจากผู้ที่เราทำบุญด้วยถ้าเราต้องการผลตอบแทนใจของเราก็จะเกิดความอยากขึ้นมาแทนที่จะมีความสุขใจสบายใจก็จะเกิดความกังวลกวาขึ้นมาว่าเขาจะทำตามที่เราอยากให้เขาทำหรือไม่ทำอย่างนี้ให้เขาแล้วเขาจะทำอย่างที่เราต้องการหรือไม่ถ้าเขาทำก็ดีใจไป แต่ถ้าเขาไม่ทำก็เสียใจทุกใจไปอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการทำบุญทำบุญต้องไม่มีความอยากได้รับผลตอบแทนจากใครทั้งนั้นทำบุญเพื่อตัดความอยากทำบุญเพื่อทำให้ใจของเรามีความอิ่มมีความสุขต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนี่คือเรื่องของการทำบุญ ถ้าเราทำบุญอย่างนี้แล้วใจของเราจะมีความสุขยิ่งกว่าเวลาที่เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเที่ยวรอบโลกมากี่รอบก็สู้ไปทำบุญไม่ได้ความรู้สึกภายในใจนี้มันต่างกันเวลาทำบุญแล้วมันมีความสุขนะถึงแม้เวลาจะผ่านไปเรานึกถึงมันเมื่อไหร่เราก็มีความสุขใจได้ตลอดเวลา ไม่เหมือนกับการที่ได้ไปเที่ยวตามสถานที่ ต, าตา่างๆพอไปเที่ยวแล้วกลับมาก็เหมือนเดิมว่าเวเหมือนเดิมอยากจะไปเที่ยวอีกไม่ได้ไปเที่ยวก็ ห, หงุดหงิดลาคาญใจนี่คือความสุขที่แตกต่างกันความสุขที่แท้จริงต้องเกิดจากความสุขที่เกิดจากการทาบุญอันนี้ข้อที่หนึ่งถ้าเราทำบุญได้แล้วเราก็จะละการกระทำบาปว่า พราคนที่ทำบุญจะไม่ชอบทำบาสนั่นเองจะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นจะไม่ชอบสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นพอเราทำบุญแล้วเราก็จะไม่ทำบาปเวลาเราทำมาหากินเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปทำบาปเพื่อให้เราได้เงินทองมาง่ายๆและเร็วๆเรวพราะเราไม่มีความอยากได้เงินทองมากขนาดนั้น เพราะถ้าเราได้มาเราก็เอามาทำบุญอยู่ดีดังนั้นเราจะไม่ต้องทำบาปเวลาเราทามาหากินเราจะทำมาหากินด้วยวิธีที่สุดจริญเช่นมีสัมมาชีเราจะไม่ทำมาค้าขายในสิ่งที่เป็นพิษเป็นอันตรายต่อผู้อื่นเช่นไม่ขายยาพิษไม่ขายยาเสพติดไม่ขายสุรายาเมาง เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายต่อผู้อื่นเราได้เงินจากเขาแต่เราไปทำให้เขาเป็นอันตรายกับตัวเขาหรือกับผู้คนที่ดื่มสุราเมาแล้วก็จะอาละวาไปทุบตีภรรยาไปทุบตีลูกไปมีเรื่องกับชาวบ้านไปทะเลาะกับชาวบ้านแล้วก็ไปฆ่าฟันกัน ถ้าไปขับรถก็อาจจะไปชนรถคนอื่นทำให้ผู้เสียชีวิตหรือพิโกนพิการไปนี่คืออาชีพที่คนใจมุ่จะไม่ชอบทำจะไม่ทำถ้าทาก็จะหยุดถ้าถ้าหยุดได้ก็จะหยุดถ้ายังหยุดไม่ได้เพราะว่าเป็นความจําเป็นเพราะว่าถ้าหยุดแล้วจะอดตายอย่างนี้ก็ต้องทนทำไปก่อน แต่พอมีฐานะที่ดีพอแล้วอยู่อย่างสุขอย่างสบายแล้วก็ควรที่จะหยุดทำอาชีพต่างๆเหล่านี้เสียจะดีกว่าจะได้ทำให้เราไม่เป็นคนที่ไปสนับสนุนให้เกิดการทำร้ายกันทำลายกันเราก็จะรักษาสินห้าได้อย่างสบายธุร า, าขายเราไม่จำเป็นจะต้องโกหกลูกค้า พูดไปตามความจริงเขาจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่ต้อก็ไม่ขายเราไม่ต้องไปหลอกเขาว่าราคาเท่านั้นเท่านี้ซื้อมาเท่านั้นเท่านี้ได้กําไรเพียงนิดเดียวไม่ต้องไปโกหกเราบอกตามความจริงไปเขาอยากจะซื้อก็ซื้ อ, อเขาไม่อยากซื้อก็ไม่เป็นปัญหาอะไรหรือเขาอยากจะซื้อของที่เราไม่มีก็ไม่ไปโกหก รับปากเขาว่าจะหามาให้ในวันพรุ่งนี้หรือวั น, น, นวันนั้นวันนี้ทั้งๆ ท, ที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะไปหามาได้หรือเปล่าพอถึงวันที่เราไปรับปากกับเขาพอเขามาแล้วก็ไม่ได้ของที่เขาอยากจะได้ก็จะทำให้เราเสียคนไปเราเป็นคนพูดจกไม่มีสัจจะต่อไปเขาก็จะไม่เชื่อคำพูดของเราคนที่มี คนใจบุญแล้วจัจะไม่ชอบทำบาปจะรักษาศีลห้าได้อย่างง่ายดายจะไม่ฆ่าสัตว์กัดชีวิตจะไม่ลักทรัพย์จะไม่ประพฤติผิดประเวณีจะไม่พูดปดจะไม่เสพสุรายยาเหลานี่คือศีลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทำกันแล้วถ้าเรารักษาศีลห้าได้แล้วก็ทรงสอนให้เราเพิ่มจากศีลห้าเป็นศีลแป เช่นในวันนี้เป็นวันพระก็ให้เพิ่มศีลอีกสามข้อเพราะจะได้บุญมากขึ้นจะได้ความสุขใจมากขึ้นจะได้ความสงบมากขึ้นก็คือไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนแต่จะมาหาความสุขจากการไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิทำใจให้สงบเพราะจะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่า ความสุขที่ได้จากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นแล้วก็ไม่ไม่รับประทานอาหารมากเกินไปคือจะไม่รับประทานอาหารหลังจากเชี่ยงหวันไปแล้วเพราะว่าไม่จงเป็นจะต้องรับประทานอาหารมากมายขนาดนั้นรับประทานอาหารเพียงวันละครั้งก็พอที่จะรักษาให้ร่างกายอยู่ได้อย่างสุขสบายแล้วรับประทานอาหารมากก็เป็นโทษกับร่างกายทาให้เกิด โครคภัยไข้เจ็บตามมาได้เช่นเกิดโรคเบาหวานเกิดโรคความดันเกิดโรคหัวใจไขมันอุดตันอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไปเป็นอันตรายต่อชีวิตและก็จะทาให้เป็นอุปสรรคต่อการนั่งสมาธิต่อการปฏิบัติธรรมเพราะเวลารับประทานอาหารมากๆแล้วก็จะขี้เกียจอยากจะนอน ไม่อยากจะนั่งสมาธิไม่อยากจะไหว้พระสวดมนต์ดังนั้นเราถ้าอยากจะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ดีกว่าภายในใจเราต้องมาถือสิงแปดันในวันพระเป็นจุดเริ่มต้นก่อนลองทําดูสักวันหนึ่งก่อนถ้าทําแล้วได้ผลดีติดใจก็ทําเพิ่มขึ้นไปจากวันหนึ่งก็เป็นสองวันจากสองวันก็เป็นสามวัน ต่อไปก็จะทำได้ทั้งเจ็วันเลยเพราะมีความสุขมากกว่าการไปร่วมหลับนอนมีความสุขมากกว่าการรับประธานอาหารหลายมือมีความสุขมากกว่าการหาความสุขจากสิ่งบันเทิงต่างๆมีความสุขมากกว่าการหลับนอนบนฟูกหนาๆวันพรุ่งนี้เรามานอนบนพื้นกันปูเสือ่อปูผ้านอนบนพื้นแข็งๆกัน เพื่อเราจะได้ไม่นอนมากเกินไปเวลาร่างกายพักต้องการพักผ่อนนี้ไม่ว่าจะนอนบนฟูกหรือนอนบนพื้นไม้มันก็หลับได้เหมือนกันแต่เวลามันตื่นแล้วมันจะไม่นอนต่อเพราะมันไม่สบายแต่ถ้านอนบนฟูกหนาะๆเวลาร่างกายพักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาใจยังไม่อยากจะลุกเห็นว่ามันนุ่มมันนอนบนเบานะหนา ก็จะนอนต่ออีกหลายชั่วโมง <c oughs> ก็จะทำให้เสียเวลาที่มีคุณค่าสำหรับการจะมาทำใจให้สงบนี้ <c oughs> เราก็จะไม่ได้สัมผัสรับรู้กับความสุขที่ยิ่งใหญ่ <c oughs> ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบและนำเอามาแบ่งปันให้กับพวกเรา <c oughs> แต่ถ้าเรารักษาศีลแปดได้เราก็จะ มีเวลานั่งสมาธิมีเวลาสวดมนต์มีเวลาฟังเทศฟังธรรมมีเวลาทำใจให้สงบแล้วพอเราได้รับความสงบแล้วเราก็จะหายโง่จะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ที่ตัวเรานี้เองไม่ได้อยู่ที่เงินทองไม่ได้อยู่ที่เข้าของไม่ได้อยู่ที่สิ่งต่างๆในโลกนี้สิ่งต่างๆเข้าของเงินทองนี้ความจริง เป็นความทุกข์เสียมากกว่าทุกทั้งในขณะที่หาหาเงินหาทองนี่ใครว่าจะสุขจะสบายบ้างมีใครอยากจะทํางานบ้างแต่ต้องทําเพราะว่ามันจําเป็นนหาเงินก็ทุกแล้วพอได้เงินมาก็ทุกอีกต้องคอยดูแลรักษาเวลาเวลาถูกขโมยลักไปก็ทุกอีกเวลาตายจากเงินทองไปก็ทุกอีก สู้อยากไปมีมันไม่ดีกว่าเลยเพราะพุทธเจ้าท่านไม่มีดีกว่าท่านเคยมีท่านก็สละไปหมดเลยเงินทองมีละมีราชสมบัติเท่าไหร่ก็สละราชสมบัติไปเลยแล้วก็ไปอยู่ในป่าในเขาไปรักษาศีลแล้วก็ทําใจให้สงบต่อสู้กับความอยากจนความอยากไม่มีดงเหลืออยู่ภายในใจ หลังจากนั้นก็มีแต่ความสุขตลอดเวลาไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับเรื่องของเงินทองเงินทองจะมาหรือจะไปไม่เป็นปัญหาใดอย่างใดเพราะไม่ต้องอาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือซื้อความสุขนั่นเองคนที่ยังต้องอาศัยเงินทองซื้อความสุขก็ยังจะต้องวุ่นวายกับการหาเงินกับการใช้เงินแล้วก็จะต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษาเงินทอง แล้วก็ต้องมาเศร้าโศกเสียใจกับการสูญเสียเงินทองมาเศร้าโศกเสียใจกับการพัดพาจากเงินทองไปอันนี้เป็นโทษของการเข้าหาเงินทองถ้าพวกเราอยากจะอยู่อย่างมีความสุขเราต้องอยู่แบบสัมถาทเรียบง่ายอย่าไปร่งไปรวยให้พอมีพอกินก็พอแล้วเพื่อเราจะได้มีเวลา มาสร้างความสุขภายในใจที่ดีกว่าอย่าไปเสียเวลากับการหาเงินหาทองแล้วก็เสียเวลากับการใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆเพราะมันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจของเราได้แต่ความสุขที่เราได้จากการทำใจให้สงบนี้ต่างหากที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้ ดังนั้นเราควรที่จะยุติการหาเงินหาทองได้แล้วถ้าเรามีพอกินพอใช้อยู่ไปจนมันตายก็ใช้ไม่หมดแล้วก็ควรหยุดหาได้แล้วควรมาหาความสุขภายในใจของเราดีกว่าเพราะความสุขภายในใจนี้จะอยู่กับเราไปตลอดจะไม่จากเราไปจะไปกับเราจะไม่เหมือนกับความสุขทางร่างกาย ไม่เหมือนความสุขจากการใช้เงินทองซื้อมาเวลาเราตายไปเราไม่สามารถเอาเงินทองติดตัวไปได้เราไม่สามารถเอาร่างกายของเราติดตัวไปได้แต่สิ่งที่เราเอาไปได้ก็คือความสุขหรือความทุกข์ใจเทานั้นถ้าเราหัวแต่หาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองเวลาตายไปเราจะเอาความทุกข์ไปกับเรา ถ้าเราเอาความทุกข์ไปเราก็ต้องไปเกิดในอบายแต่ถ้าเราเอาความสุขไปกับเราเราก็จะไปเกิดในสุขติไปเกิดในสวรรค์ไปพานิพานนี่คือทางที่เรากำลังทำกันอยู่มีอยู่สองทางทางขึ้นหรือทางลงทางลงก็คือทางแห่งการหาเงินหาทองทางขึ้นก็คือทางแห่งการทำบุญละบา ชำระความอยากให้หมดไปจากใจของเราก็ขอให้ท่านได้นําเอาพินิษพิจารณาดูว่าท่านจะเลือกไปทางไหนกันไม่มีใครบังคับเราได้ไม่มีใครเลือกให้เราได้เราต้องเป็นผู้เลือกเองบังคับใจเราเองการแสดงก็เห็นว่าสมควรแกะละละ่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีวัตนตรัย